การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อที่สองเข้าหากัลยานมิตรเมื่อตัดปริโภูได้แล้วไม่มีอะไรติดข้องค้างใจไร้ห่วงกังวลพึงไปหาท่านที่สามารถสอนกรรมฐานให้แก่ตนได้ซึ่งมีคุณสมบัติดีงามใฝ่ใจช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นอย่างแท้จริงเรียกว่ากัลยานมิตรคือผู้ประกอบด้วย กัลยานามิตรธรรมเจ็ดประการคือน่ารักน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักว่ารู้จักพูดยอมให้พูดยอมให้ว่าถแถลงเรื่องลึกซึ้งได้และไม่ชักนาในเรื่องไม่ควรกัลยานามิตรนั้นถ้าให้ดีควรได้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ก็หาพระอาหารหันต์พระอริยบุคคลระดับรองลงมา ท่านพูดได้ชาญพูดทรงพระไตปิดกจนถึงท่านที่เป็นพระหูสูตรลดหลั่นกันลงมาท่านว่าพระปุตุชนที่เป็นพระหูสูตรบางทีสอนได้ดีกว่าพระอรหันต์ที่ไม่เป็นพระหูสูตรเสอีกเพราะพระอรหันต์ถนัดแต่แนวปฏิบัติที่ท่านผ่านมาเองเท่านั้นบอกทางไปได้พอจําพาะตัวและบางองค์ก็ไม่ถนัดเชิงสอนอีกด้วย ส่วนพระผู้หูสูตรได้ค้นคว้ามากสอบสวนมาหลายอาจารย์แสดงทางไปให้เห็นกว้างขวางแล้วรู้จักกลวิธียักเยื้องสอนให้เหมาะยิ่งได้พระอรหันต์ที่เป็นพระหูสูตรก็ยิ่งดีเมื่อหากัลยาณมิตรได้แล้วพึงเข้าไปหาทำวัดปฏิบัติต่อท่านแล้วขอโอกาสเรียนกรรมฐานจากท่าน ข้อที่สรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริยาหรือจริตในข้อนี้พึงเข้าใจความหมายของจริยาและกรรมฐานพอเป็นเขาดังนี้กรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการทำงานของจิตหรือที่ให้จิตทำงานมีความหมายเป็นทางการว่า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 อาโปโน้ำเตโชไฟวาโยโลมกลุ่มที่สองวันนะกะสินสีกสินคือสีคือนีละเขียวปีตะเหลืองโลหิตะแดงโอทาตะขาวกลุ่มที่สามกสินอื่นๆ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 มีอยู่แล้วในวิสุทธิมรรคตามที่มาซึ่งอ้างแล้วแต่พึงทราบพิเศษว่าในบาลีเดิมไม่มีอาโลกะกสินแต่มีวิญญาณกสินแทนเป็นข้อที่สิบและเลื่อนอากาสากสินเข้ามาเป็นข้อที่9อาสุภาสิบได้แก่พิจารณาทรากศพในระยะต่างๆกันรวมสิบระยะ เริ่มแต่ศพที่ขึ้นอืดไปจนถึงศพที่เหลือแต่โครงกระดูอาุภาสิบคนปัจจุบันคงหาโอกาสพิจารณายากจึงสรุปไว้แต่ใจความรายชื่อเต็มคืออุทุมาต ก, กะศพขึ้นอืดวินีล ก, กะศพเป็นสีเขียวคล้ำคลาสีต่างๆวิปุภกะศพมีน้ำเหลืองไหลยเยิม้มตามที่แตกปริ วิจิตตกะศบขาดจักันเป็นสองท่อนวิขายิตตกะศพบถูกศาสจิตถึงกัดกินแล้ววิคิตตกะศบกระจุยกระจายมือเท้าศีรษะหลุดไปอยู่ข้างๆอัตตาวิกิตตกะศบถูกสับเป็นท่อนๆกระจายโลหิตตกะศบมีโลหิตอาบอุรุวะกะ ศพมีนอนคลาคล่ำอธิกาศพเหลือแต่ร่างกระดูกหรือท่อนกระดูกในบาลีเดิมจัดเข้าเป็นสัญญาต่างๆในบาลีฝ่ายพระสูตรกล่าวถึงยังมากเพียงหข้อบ้างห้าข้อบ้างและที่ใกล้เคียงที่สุดคือเป็นการสรุปเอามาจากนวสีติกาปภะในสติปฐานหรือกายาคตาสติ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 ระลึกถึงพระสงฆ์และพิจารณาคุณของพระสงฆ์ 4. สีศีลานุสติระลึกถึงศีลพิจารณาศีลของตนที่ได้ประพฤติบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อย 5. าจาคานุสติระลึกถึงจาคะทานที่ตนได้บริจาคแล้วและพิจารณาเห็นคุณธรรมหรือความเผื่อแพ่เสียสละที่มีในตน 6. เทวตานุสติระลึกถึงเทวดาหมายถึงเทวดาที่ตนเคยได้รู้ได้ยินมาและพิจารณาเห็นคุณธรรมซึ่งทาคนให้เป็นเทวดาตามที่มีอยู่ในตน 7. มรณสติระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดาพิจารณาให้เกิดความไม่ประมาท 8.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 สติกำหนดลมหายใจเข้าออก 10. อุปสมานุสติระลึกถึงธรรมะเป็นที่สงบคือนิพพานและพิจารณาคุณของนิพพานอันเป็นที่หายร้อนดับ ก, กิเลสและไร้ทุกข์ที่มาบาลีเดิมคืออังคุตรานิกายเอกานิบาตกุตกานิกายมหานิเทศ และขุตการนิกายปฏิสามพิธามักนอกจากนี้ที่มาต่างหากกันไม่ครบชุดอีกหลายแห่งข้อที่พบต่างหากหรือมาในชุดอื่นอีกมากได้แก่กายาคตาสติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานาสติซึ่งเป็นข้อเด่นที่สุดอัปมัญญาสี่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 คือปรารถนาดีมีไมตรีอยากให้มนุษย์สัตว์มีสุขทั่วหน้า 2. เกุณาความสงสารคืออยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ 3. มุทิตาความปลอยยินดีคือปลอยมีใจช่ำชื่นเบิกบานเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข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 หาเรปฏิกูลละสัญญากำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารในพระสูตรมาด้วยกันกับอสุภะห้าที่มาในชุดสัญญาสิบเช่นที่อังคุตรณนิกายเอกานิบาตจตุธาตุววัฐานกำหนดพิจารณาธาตุสีคือพิจารณาเห็นร่างกายของตนโดยสักว่าเป็นธาตุสี แต่ละอย่างแต่ละอย่างบางทีเรียกสั้นๆว่าธาตุว่วัฐานบ้างธาตุมนสิการบ้างธาตกรรมมัฏฐานหรือธาตกรรมมัฐานบ้างซึ่งมีมาในกายานุปัสนาสติปฐานนั่นเองอารูปหรืออารูปสีได้แก่กำหนดภาวะอารู ป, ปธรรมเป็นอารมณ์ ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เพ่งกรสินก้าวอย่างแรกข้อใดข้อหนึ่งจนได้จตุทัฏฐานมาแล้วคือหนึ่งอาการสานัญจายตนะกําหนดช่องว่างหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์ซึ่งเกิดจากการเพิกกรสินออกไป 2. วิญญาณัญจายตนะกําหนวดวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์คือเลิกกาหนดที่ว่าง เลยไปกำหนดวิญญาณที่แพ่ไปสู่ที่ว่างแทนสาอากินสัญญายตนะเลิกกำหนดวิญญาณเป็นอารมณ์เลยไปกำหนดภาวะไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์สีเนวะสัญญาณสัญญายตนะเลิกกำหนดแม้แต่ภาวะไม่มีอะไรเลยเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ที่มาในบาลีเช่นทีคานิกายปาติกวักและสังยุตานิกายสลายยตนาวรักจะพ่อในว่าสัญญาณสัญญาญตนะวิสุทธิทมากว่ากําหนดอากินจัญญาญาตนะนั่นเองเป็นอารมณ์แต่กําหนดมิใช่เพื่อเข้าแต่เพื่อผ่านเลย กรรมฐานทั้งหมดนี้บางทีท่านจัดรวมเป็นสองประเภทคือ 1. สัพพะักกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานที่ใช้ประโยชน์ได้คือควรต้องใช้ทุกที่ทุกกรณีคือทุกคนควรเจริญอยู่เสมอได้แก่เมตตาและมรณาสติบางท่านจัดอสุภะสัญญาเข้าด้วย